ภิกษุผู้ควรแก่มานัตศึกภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุผู้ควรแก่มานัตศึกเสียการให้มานัตแก่ภิกษุผู้ศึกแล้วนั้นใช้ไม่ได้ถ้าภิกษุนั้นอุปสมบทใหม่ให้ปริวาทเดิมนั้นแหละแก่ภิกษุนั้นปริวาทที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้ว ปริวาสที่อยู่แล้วเป็นอันอยู่ดีแล้วสงพึงให้มานัดแก่ภิกษุนั้น